24. ทธรรมะที่อาจจะได้ใช้ในอนาคตวงเล็บเปิดสองมีนาคม25น้าห้าสิบจุดจุดนาที28่งเล็บปิดหลวงพ่อเทียนสอนว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดถ้าเจาะเข้ามาตรงนี้เลยนะแล๊บเดียวมันก็ปล่อยกายได้มันเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยพวกเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง จิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่ายังไม่เข้าใจศาสนาพุทธอย่างถ่องแท้นะยังมีอวิชชาความไม่รู้อยู่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่าขันท่าจริงๆเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างดังนั้นต้องภาวนาต้องมีสติต้องตื่นขึ้นมาให้ได้นะรู้ลงที่กายหนเนืองรู้ลงที่จิตหนเนืองจะเข้าใจกายก่อนเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็หมดความยึดถือกายก่อน เห็นกายนี้ทุกล้นล้วนเลยจิตก็ปล่อยมันไม่ใช่ตัวดีนี่จะไปยึดมันไว้ทำไมเวลาจะตายจะรู้สึกว่าตัวทุกจะแตกแล้วไม่เสียใจพระอนาคามีเวลาจะตายไม่เสียใจตัวทุกจะแตกแล้วจะเสียใจทำไมไม่ใช่ตัวดีแตกนี่แล้วภาวนาต่อมาอีกจิตมันจะรวมมาอยู่ที่จิตจิตอันเดียวล้นล้วนเลยจิตตั้งมั่นเด่นดวงมีแต่ความสุขล้นล้วนเลยถ้าไม่นิ่งนอนใจตามรู้ตามดูเข้าไปอีกก็จะเห็นเลย ตัวจิตผู้รู้เนี่ยยังตกอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์มองได้นะพองใสได้ก็ยังหมองได้หน่อยๆสงบได้ก็ยังฟุ้งได้นิดๆไม่ได้ฟุ้งในกามแล้วเพราะเป็นพระอนาคามีแล้วแต่ฟุ้งในธรรมนะเพราะฉะนั้นอุทจจะสังโยชตกับอุทจจะในนิวรณ์ไม่เหมือนกันอุทจจะในนิวรณ์เนี่ยมันอุทจจะฟุ้งซ่านไปในกามอุทจจะสังโยชนีน่มันฟุ้งซ่านไปในธรรมจิตยังค้นคว้าพิจารณาธรรมอยู่ จิตยังทํางานอยู่เพราะกลัวไม่หลุดพ้นกลัวงโง่ยังแอ บ, บทํางานนิดๆเรียกว่าอุทธจัจจสังโยตจิตพอใจในความสุขความสงบจากการเพ่งรูปเพ่งนามมีรูปราคะกับอรูปราคะอยู่จิตยังมีความถือเนื้อถือตัวอยู่นะมองคนทั่วๆไปต่ําต้อยกว่าเรามองครูบาอาจารย์ที่จบแล้วว่าท่านสูงกว่าเราทําอย่างไรจะให้ได้อย่างท่านมีเรามีเขาเทียบอย่างนี้ยังเทียบรุ่นอยู่นะนี่เรียกว่ามานนะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นมานะที่เรียกว่าเรายังไม่ดีพอจะไม่เป็นลบหลูคนอื่นหรอกนะจะสงสารเห็นใจผู้อื่นว่าแต่ก่อนก็เคยเป็นเหมือนกันตะเกียกตะกายเอาตัวรอดจากก้นเหวขึ้นมาได้มีแต่ความเห็นใจนะมีแต่ความรักความสงสารแต่มีมานะที่ว่าครูอาจารย์ท่านดีท่านวิเศษเหลือเกินเราทำอย่างไรจะให้ได้อย่างท่าน ดังนั้นมานะของพระอนาคามีเป็นมานะที่ว่าทำอย่างไรเราจะได้อย่างท่านไม่ใช่กูเก่งกูเก่งนั่นเป็นมานะกิเลสหนาะรากเงาของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาสังโยชน์นั่นเองความไม่รู้ทุกแจ่มแจ้งคือไม่รู้ว่าตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าตัวจิตนี้ไม่ใช่ตัวทุกข์รู้สึกไหมเราภาวนารู้สึกไหมจิตไม่ใช่ตัวทุกข์จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความทุกข์เพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆจะเห็นอย่างนี้ ถ้าเกิดความอยากความยึดก็จะเกิดความทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์นี่เป็นอวิชชาตามรู้ตามดูนะไม่ย่อท้อไม่นิ่งนอนใจว่าสบายแล้วตามดูไปเรื่อยๆว่าหนึ่งปัญญามันแจ้งมันจะพลิกตัวให้ดูเลยจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจะกลายเป็นผู้ทุกข์ล้วนให้ดูแต่เดิมนะพอจิตไหวแวบขึ้นมาปรุงขึ้นมาพอหันไปดูความทุกข์นั้นจะดับทันทีเลยขาดสะบั้นเลย ความทุกนั้นเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาในจิตแต่คราวนี้จิตนั่นแหละเป็นตัวทุกขเพราะฉะนั้นดูอย่างไรก็ไม่หลุดนะตัวมันเป็นตัวทุกข์เหมือนอย่างเราเดินเดินไปถูกหมามุ่ยคันเราไปล้างออกก็หายคันใช่ไหมเนี่ยแต่เดิมเรารู้จักความทุกแบบหมามุ่ยนี่เองคือไปโดนอารมณ์ไม่ดีแล้วมันมีความทุกข์ขึ้นมาถ้าหนีจากอารมณ์ไม่ดีได้ก็มีความสุขแล้วแต่คราวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้คันแบบหมามุ่ยแล้วมันคันแบบหมาขี้เรือน คือมันคันอยู่ในตัวของมันเองคือจิตนี่มันทุกข์อยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพามันหนีขึ้นเหนือล่องใต้ไปอยู่สวรรค์อยู่พรหมโลกอะไรนะหนีไม่รอดแล้วเพราะตัวมันเป็นตัวทุกข์มันเห็นถึงขนาดนี้นะแบบหลังชนกาแพงเลยไม่มีทางหนีไม่มีทางถอยนะแล้วความทุกข์นี่ประดังมากขึ้นมากขึ้นเห็นเลยขันนี่ตัวทุกข์จริงๆนะขันไม่ใช่ตัวดีขันไม่ใช่ตัววิเศษขันนี่แหละเป็นมาร ตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของเรานี่แหละคือมารเรียกว่าเทวปุตตมารตัวขันเป็นตัวทุกข์เรียกว่าขันธมารใจของเราก็จะดิ้นเลยจะคิดเลยทำอย่างไรจะพ้นได้ทำอย่างไรจะหนีได้ตรงที่คิดฟุ้งไปนี่เรียกว่าอภิสังขารมารเป็นความคิดนึกปรุงแต่งของจิตจิตใจที่ไม่ชอบความทุกนี้เลยจิตใจที่เอือมระอาจิตใจที่อยากหนีไปจิตใจนี่แทกด้วยกิเลส น, นะแทกด้วยโทสะ ว่ามันไม่ใช่โทสะอย่างที่เคยรู้จักแล้วมันเป็นความเหนื่อยหน่ายเอือมละอาสุดขีดเลยอยากจะไปให้พ้นจะเรียกว่าโทสะมันก็ไม่เหมือนโทสะเพราะโทสะจริงๆขาดไปตั้งแต่เป็นพระอนาคาคาแล้วแต่นี่มันเห็นเลยจิตนี้มันน่าเอือมระอาที่สุดมันเป็นทุกข์ล้วนๆมันไม่น่ารักไม่น่าพอใจนี่เรียกกิเลสมานไม่ชอบมันอยากไปให้พ้นจากมันแล้วภาวนาไปนะความทุกข์จะบีบคั้นมากขึ้นมากขึ้ น, น, นเหมือนเราจะตายเลย จิตเหมือนจะระเบิดเลยนะมีแต่ความทุกข์ลื่นล้วนทุกอนูของจิตเลยภาวนาเนี่ยถ้าใจไม่ถอยออกจากตรงนี้นะรู้เลยเดินต่อไปอีกนิดเดียวนะจะตายแล้วนี่มัจจุมานมาท้าทายอยู่ข้างหน้าแล้วนะกล้าเดินต่อไปต่อไปหามัจจุมาหรือความตายที่มารออยู่ข้างหน้าไหมนี่มารห้าตัวนะมาดักอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ไม่เจอมาร น, นะตรงที่จะข้ามพบข้ามชาติจริงๆเนี่ยมารมารออยู่ตรงนี้นี่เอง แต่เดิมเรียกว่ามารมารเรียกไปอย่างนั้นแหละมารไม่มายุ่งกับเราหรอกเพราะว่ากระจอเกินไปนะแต่ตอนจะพ้นจากอำนาจมารเนี่ยมารถึงจะปรากฏให้ดูตอนนี้ตัวคนเดียวล้วนๆเลยนะไม่มีใครช่วยเราได้อีกแล้วมีทางเดินอยู่สองทางคือเดินไปข้างหน้าแล้วก็ตายถ้าไม่ตายก็บ้าจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะ ถ้าถอยซ่าจะตกเป็นทาตของมานตลอดไปแต่ว่ามีความสุขอย่างโลกโลกนี่ใจถ้าไม่ได้ฝึกอบรมบารมีให้แก่กล้านะถอยแน่นอนเลยมันเจอความทุกข์อะไรที่ใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะไม่เคยเห็นความทุกข์อะไรใหญ่กว่าขันเลยขันเป็นทุกข์นะการที่เห็นขันเป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกขสัจจะถึงตรงนี้สิ่งที่จะช่วยเราได้คือบารมีที่เราเคยอบรมมานั่นเองยกตัวอย่างนะทานบารมีเราเคยเสียสละ อย่างพระเวสสันดรสละตัวเองสละลูกสละเมียตรงนี้เรากล้าสละชีวิตไหมถ้าเรายังรักตัวกลัวตายเราก็จะถอยจิตออกมาแล้วตกเป็นทาสของมานตลอดไปถ้ากล้าหาญที่จะสละชีวิตตายก็ตายเถอะบ้าก็บ้าเถอะช่างมันเถอะไม่เอาแล้วกายนี้ใจนี้นี่คือบารมีที่ยิ่งใหญ่เลยนะทานบารมีที่ฝึกฝนอบรมมามาช่วยเราตรงนี้นี่เองมันกล้าสละกระทั่งชีวิตตัวเอง ศีลบารมีคือจิตใจของเราขณะนั้นเป็นปกติได้ไหมท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเร้าเนี่ยจิตใจเป็นปกติได้ไหมหรือจะคลุ้มคลั่งกวดแกว่งออกไปตรงนี้ขันติบารมีก็ต้องมีอยู่อดทนนะต้องอดทนให้ได้ต่อความทุกข์ที่บีบขั้นเข้ามาประดังเข้ามาทนที่จะไม่หนีตายเป็นตายมีสัจจะบารมีนะตั้งสัจจะสู้ตายก็ต้องสู้ตายนะยอมรับสภาพความจริงเลยกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนเลย นี่คือสัจจะนี่คือความจริงกล้ายอมรับความจริงไหมหรืออยากจะหนีความจริงคนทั่วไปใจอ่อนชอบหนีความจริงเวลามีความทุกข์ก็หนีไปหาลมหายใจหนีไปหาท้องหนีไปหาเท้าหนีลูกเดียวไม่ยอมรับความจริงเพราะความจริงก็คือขันเนี่ยทุกข์ล้วนๆเลยเนคขมะบารมีคือกล้าสละความสุขทุกสิ่งทุกอย่างไหมต่อไปนี้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกล้าสละไหมถ้าเคยกล้าสละ เคยฝึกเนคขม่บารมีมานะกล้าสละความสุขในกามปัญญาบารมีมีพอไหมที่จะรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นจิตมันเป็นอย่างนี้รู้อย่างที่มันเป็นตามรู้ตามดูซิว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรตามรู้ตามดูลงไปเรื่อยมันทุกเลืนล้วนยอมรับตรงนี้ไหมบารมีสิบตัวทุกตัวสำคัญหมดมาช่วยเราในนาทีสุดท้ายซึ่งเราตัวคนเดียวแล้วไม่มีอะไรมาช่วยเราแล้วเวลาที่เราเผชิญกับมานถ้ากาลังพอนะ ถึงจุดหนึ่งมันจะอัศจรรย์มันจะหลุดออกมาจากการยึดเกาะในจิตจะสลัดจิตคืนให้ธรรมชาติไปไม่ยึดถือจิตและไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วเพราะจิตนี่เป็นขันที่ยึดเหนียวแน่นที่สุดเลยรักที่สุดห่วงที่สุดไปถึงพรหมโลกก็ยังยึดจิตไว้นะไม่ปล่อยนะอย่างเป็นอรูปประพรมปล่อยกายได้แต่ก็ยังยึดจิตอยู่มันเหนียวแน่นที่สุดพอไม่ยึดถือจิตก็ไม่ยึดถืออะไรอีก ต้องฝึกนะต้องพัฒนาบารมีของเราขึ้นมาเรื่อยๆฝึกสติไปถ้าเรามีสติเราก็เห็นความรักใคร่ห่วงแหนในทรัพย์สินเงินทองในตัวของเราเองในอะไรต่ออะไรมันจะกล้าสละได้ฝึกกล้าสละความสบายของเราไหมกล้าสละความอร็จอร่อยในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะไหมต้องฝึกนะสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าก็ฝึก ท่านถึงบอกตอนสุดท้ายอาศัยบารมีนี่เองมาสู้กับมารเพราะฉะนั้นในคำพีที่เขาเขียนเขาเขียนดีนะสร้างมารขึ้นมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นบุคลาทิสฐานไอ้มารจริงๆก็มีนะพวกเทวดามารเนี่ยมีอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หกพวกนี้เรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยกว่าเทวดาฝ่ายดีอีกพวกนี้สร้างบารมีมากนะถึงได้เป็นมารพวกนี้จริงๆอยากได้พุทธภูมิแต่ขี้อิจฉาไม่อยากให้คนอื่นได้ก่อน มารพวกนี้เขาไม่มาะจ์เราหรอกเพราะกระเจาะเกินไปนะเอาไว้สู้กับพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะของเราเจอมานของเราเองห้าตัวนี้ก็รอด แ, แล้วเราต้องสร้างของเรานะสร้างเครื่องมือเอาไว้วันหนึ่งจะต้องใช้ฟังหลวงพ่อ น, นี่ปีนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้สิบปีข้างหน้าอาจจะได้ใช้หรือชาติหน้าอาจจะได้ใช้ฟังไปจิตใจมันจะได้รู้ร่องที่จะเดินไปข้างหน้า ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้ชี้ร่องให้เราเดินไปนี่นะยากที่สุดเลยครูอาจารย์ที่ท่านเดินไปได้เองนะมีหลวงพ่อเทียนหลวงปู่มั่นท่านเดินของท่านไปได้นี่ยอดมนุษย์ทั้งนั้นนะยอดมนุษย์ไม่ใช่อุนต้ามแมนนะเป็นยอดของมนุษย์จริงๆเลยอัศจรรย์นะท่านเหล่านี้นอกนั้นขณะที่ท่านบอกให้เดินตามนะยังออกนอกลู่นอกทางนะตุ ป, ปัดตุเป๋ท่านบอกเขย่าวาท่านรู้กูก็จะเพ่งถ้ามีสติ ก็จะมีศีลถ้ามีสติก็จะมีสมาธิถ้ามีสติก็จะมีปัญญามีสติมันก็จะละชั่วทำดีจิตใจผ่องแผ้วหลุดพ้นค่อยๆดูใจของเรานะมีสติสำรวจจิตใจของเราไปเรื่อยเลยมันไปติดมันไปคล้องอะไรนะคอยเรียนรู้ไปมันไปติดสมถะก็รู้ทันมันไปทำไมต้องติดสมถะเพราะว่าอยากดีอยากสุขอยากสงบมันไปติดกิเลสเพราะว่าเห็นโลกอย่างอริเออร่อยอยู่ ให้สำรวจใจของเราอย่างซื่อๆนะตามองเห็นสาวหรือเห็นหนุ่มใจมันชอบให้รู้ทันใจของเราอย่ามัวไปดูหนุ่มดูสาวมันนะเราไปดูแต่เปลือกมันไม่ได้เห็นเนื้อในมันนะเนื้อในมันน่าเกลียดนะยิ่งถ้าเห็นนิสัยมันนะกินไม่ลงเลยมันขี้ทั้งตัวเลยนะไม่ใช่วิเศษเลยดูเข้าไปนะดูเข้าไปค่อยฝึกมันจะค่อยพัฒนาขึ้นทุกๆวันรู้สึกตัวมีสติขึ้นมา ทำกรรมฐานอันหนึ่งขยับอะไรก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละใจลอยไปแล้วรู้เพ่งไว้ก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้ฝึกอย่างนี้ฝึกทุกวันสติเกิดขึ้นมาก็จะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเป็นเป้าหมายที่หนึ่งเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยปล่อยวางกายเป็นเป้าหมายที่สองเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเลยปล่อยวางจิตได้เป็นเป้าหมายที่สาม รู้แจ้งอริยสัจคือรู้แจ้งทุกทุกคือกายกับใจกายกับใจนี้ทุกลุ้นล้วนถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอริยสัจเป็นธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดบางครั้งภาวนาจิตมันปล่อยวางนะว่างไปหมดเลยรู้สึกสบายพอหลายๆวันรู้สึกไม่ใช่อีกแล้วจิตมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่รู้กายรู้ใจไปถ้าฟุ้งซ่านก็ทาความสงบเข้ามา สงบแล้วก็รู้กายรู้ใจไปเดี๋ยวว่างไปอีกแล้วคราวนี้ดูท่าจะดีท่าจะจริงดูไปดูมาไม่ใช่อีกแล้วจิตใต้สำนึกจะบอกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังขาดอยู่มีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้ตราบใดที่ยังไม่รู้สิ่งนี้นะการทำงานการดิ้นรนของจิตจะไม่เลิกหรอกหยุดชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ทาใหม่มันจะรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรถ้ารู้ว่าขาดอะไรมันก็ง่ายสิ แต่นี่มันไม่รู้หรอกมันคลำไปเรื่อยนะลองผิดลองถูกถึงจุดหนึ่งนะมันจับได้ถูกหลักของมันนะที่หลวงพ่อเทียนบอกเหมือนคลำในห้องมืดไปถูกสลักของมันเข้าสิ่งที่เราไม่รู้ก็คืออริยสัจนั่นเองเราไม่รู้แจ้งในอริยสัจไม่รู้แจ้งในกองทุกนั่นเองถ้ารู้แจ้งในกองทุกจิตก็สลัดทิ้งเลยพ้นตรงนั้นเลยดังนั้นรู้ทุกเมื่อไหร่นะสมุทัยคือตัณหาถูกละอัตโนมัติ นิโรธหรือนิพานปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาอตัอ ต, อตอโนมัติเลยนิพานไม่เคยหายไปไหนอีกเลยนะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตามนสิการถึงเมื่อไหร่ก็เห็นอยู่เลย